ยาซีเรียสเรื่องหม้อดินใบร้าว <The music> ชายชาวอินเดียคนหนึ่งห่วงสองปีที่ผ่านมา ผู้คนจะพบเห็นจนชินตาว่าบนบ่าของเขามีหม้อดินใบใหญ่วางอยู่ข้างละใบหม้อดินใบหนึ่งมีรอยร้าวขณะอีกใบสมบูรณ์สวยงามไร้ทิติหม้อใบสวยสามารถบรรจุน้ำไว้เต็มเปี่ยมนับจากลำธารจนถึงบ้านเจ้านายขณะที่อีกใบหนึ่งนั้นเมื่อมาถึงปลายทาง กลับเหลือน้ําแค่ครึ่งเดียวเท่ากับว่าชายผู้นี้ขนน้ําได้เที่ยวละหม้อครึ่งอยู่ทุกครั้งแน่ละหม้อดินใบสวยย่อมภาคภูมิใจในตนเองที่ทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนส่วนหม้อดินใบร้าวนอกจากอดไม่ได้ที่จะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจในความไม่สมประกอบของตนเองแล้ว มันยังรู้สึกผิดกับการทำหน้าที่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกด้วยหลังจากสองปีเต็มที่แบกความทุกข์ระทมขมขื่นนั้นเอาไว้วันหนึ่งมันจึงตัดสินใจเอ่ยกับคนหาบน้ำตรงลำธารว่าฉันรู้สึกละอายใจเหลือเกินฉันอยากขอโทษท่านตลอดสองปีมานี้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 เธอไม่ได้สังเกตรหรอกหรือว่าทำไมดอกไม้ป่าเหล่านั้นถึงได้งอกงามเฉพาะฝั่งที่ฉันแบกเธอเท่านั้นทำไมมันไม่ขึ้นอีกฟากหนึ่งด้วยละ่ะนั่นเป็นเพราะฉันได้ตระหนักในข้อจำกัดของเธอจึงอาศัยเงื่อนไขนี้เพรา ะ, มะเมล็ดพัน์ดอกไม้ป่าตรงทางเดินฝั่งที่ฉันแบกเธอเสมอมาและทุกๆวันขณะที่เราเดินกลับบ้าน เธอเองก็ได้ช่วยฉันรดน้ำให้มันแล้วในสองปีนี้ฉันก็ได้เด็ดดอกไม้สวยๆนี้ไปปากแจกกันให้เจ้านายของเราด้วยนี่ถ้าหากไม่มีเธอแล้วล่ะก็เจ้านายของเราคงไม่มีโอกาสได้ดอกไม้ป่าอันแสนสวยงามที่ผลิสะพรั่งอยู่ระหว่างทางมาประดับบ้านเป็นแน่เราเองมีคุณค่าดีพอ